บทที่สิบสองการหย่อนใจและโรมมหอรสพทางวิญญาณเมื่อกล่าวถึงเรื่องเครื่องหย่อนใจหรือโรงมหหอรสพทางวิญญาณอาจมีบางท่านรู้สึกประหลาดใจหรือถึงกับเหยียดยามดูถูกเลยก็ได้เพราะคนโดยมากคงจะคิดไปในทํานองที่ว่าเมื่อเข้ามาอยู่ในโลกทิพย์หรือในสวรรค์แล้วก็ไม่ควรจะมีเรื่องอื่นใดทา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 ความจริงแล้วขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเองต่างหากขอย้อนกลับมากล่าวถึงเรื่องหย่อนใจกันใหม่ชาวโลกทิพ่วนมากมายหย่อนใจหรืออันที่จริงก็คือเปลี่ยนอารมณ์ของตนเองโดยการเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นๆเสียบ้างตามความถนัดการหย่อนใจหรือเปลี่ยนอารมณ์นี้ไม่ได้เกิดจากความเหนื่อยล้าทางกายหรือจิตใจอย่างใดเลยเพียงแต่เรารู้สึกว่า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 เราไม่มีการให้รางวัลในการแข่งขันก็นเลยหลังจากการแข่งขันเราก็จะได้รับคำแนะนำจากผู้ชำนาญถึงวิธีที่จะบังคับเรือให้ได้ผลดีขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งโรงมหารสศพในโลกทิพย์ก็มีโรงมหารสพที่สวยงาม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 แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าการที่ท่านจะเชื่อหรือไม่และจะยิ้มย่อหรือไม่นั้นไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความจริงในเรื่องนี้ได้แต่ประการใดอันที่จริงในโลกทิพนี้ก็มีบางท่านที่ม่เห็นชอบกับเรื่องนี้อยู่บ้างเหมือนกันคือเห็นว่าชาวโลกทิพไม่ควรจะมีการเรื่นเริงหรื อ, รอมีโรงมหรสศอย่างใดท่านเหล่านี้มักเป็นผู้ที่มาถึงใหม่ๆและยังมีทัศนคติเดิมอยู่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 เพราะการที่เราได้มาเห็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ผู้มีประวัติชีวิตกึกก้องอยู่ในสมัยโบราณออกมาสแสดงบทบาทเดิมให้ดูมาอีกครั้งหนึ่งและเป็นผู้ที่มีเลือดมีเนื้อเหมือนยังกับยังไม่ได้เส้นชีวิตไปเลยนั้นเป็นของที่ยากเหลือเกินที่ใครจะคิดฝันว่าจะเป็นความจริงไปได้ถึงขนาดนี้ความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนอารมณ์หรือย่อนใจของชาวโลกทิพ กับชาวโลกมนุษย์ก็คือสภาพมันเป็นพื้นฐานของร่างกายแตกต่างกันมากการทิปของเราไม่มีความจำรุดสุดโสมเหน็บเหนื่อยเมื่อลา้าหรือตึงชาเป็นเน็บแต่ยอย่างใดเมื่อเป็นเช่นนี้การกีฬาที่เป็นเครื่องบริหารกล้ามเนื้อก็เป็นอันหมดความจำเป็นไปโดยสิ้นเชิงนอกจากนั้นเรายังไม่มีความต้องการอากาศบริสุทธิ์เช่นในโลกมนุษย์หรอกในโลกทิพ มีแต่อากาศอันบริสุทธิ์อยู่ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นซอกมุมที่ลึกซึ้งส่วนไหนของบ้านหรือภูมิประเทศดังนั้นเครื่องย่อนใจหรือเปลี่ยนอารมณ์ของเราจึงมีความมุ่งหมายตรงไปที่ใจอย่างเดียวเท่านั้นความสามารถในการเล่นในโลกมนุษย์ได้มาด้วยการฝึกหัดให้กล้ามเนื้ออยู่ภายใต้บังคับบัญชาของจิตใจโดยร่างกายก็ต้องมีสุขภาพดีอยู่ด้วย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 และความจริงก็มีหลายต่หลายท่านที่ไม่ได้คิดจะมีบ้านอยู่เลยโดยที่ท่านก็มีความสุขสบายไม่น้อยไปกว่าเราเหมือนกันเราไม่มีความหิวความเจ็บป่วยความขาดคลนอย่างใดในโลกทิพย์คือในภูมินี้ทั้งหมดเป็นของเราแล้วเราก็มีสิทธิที่จะไปไหนมาไหนได้โดยเสรีอีกประการหนึ่งก็คือ ในเมื่อกายของเรามีความสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้เร็วเท่ากับความเร็วของจิตเช่นนี้แล้วการแข่งขันกันด้วยความเร็วของร่างกายเช่นวิ่งแข่งเป็นต้นก็ไม่มีประโยชน์อีกกล่าวโดยสรุปก็คือพวกเราชาวโลกทิพย์สามารถพักผ่อนหย่อนใจกันได้อย่างสุขสบายแม้ด้วยการเปลี่ยนงานหรือศึกษาหาความรู้ในขแขนงต่างก็ได้ซึ่งท่านจะเห็นได้ว่า เรื่องที่กล่าวมานี้ในโลกมนุษย์จะกลายเป็นงานซ้อนงานทําให้หนักสมองและร่างกายยิ่งขึ้นไปอีกทีเดียวหมายเหตุเพิ่มเติมจากผู้บันทึกเสียงในเรื่องความเชื่อที่ว่าเทวดาไม่จําเป็นต้องตัดขาดจากสิ่งบันเทิงนั้นนับว่าเป็นมิจฉาทิฐิอีกอย่างที่ถอนได้ยากตราดได้ยังติดในกา ร, รมาคุณยังมีตันหาต้องการเสพ เมื่อมีบุญก็ต้องได้เสพได้สุขตามระดับแห่งบุญแต่ท่านคงไม่เข้าใจว่าผู้ที่ทำวิปัสสนาหรือสำเร็จสมาธิขั้นสูงจิตอยู่เหนือการเสพสุขทางกายแล้วไม่จำเป็นต้องมีสิ่งบันเทิงเหล่านี้เลยแต่ท่านมีปีติเป็นอาหารเป็นสุขโดยไม่ต้องเสพสัมผัสทางกายอีกแล้วแต่ก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งสวดมนต์หรือทำพิธีกรรมอะไรกันอีกเป็นสุขทางใจอันประณีตจากสุขในฌานและสุขจากการมลุธรรมจากความเบาบางของกิเลส จากความอยากมีอยากเป็นชนิดที่เรียกว่าอยู่เฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรก็สุขมหาศาลได้ซึ่งถ้ามองกันตามจริงแม้แต่สุขเฉยเฉยแบบนี้ก็ไม่ได้ต่างกับการนอนหลับพักผ่อนนะครับในทางพุทธท่านจึงไม่ถือว่าอะไรเป็นสุขอย่างแท้จริงจนกว่าจะบรรลุนิพพานได้ก่อนเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้แม้เทวดาชั้นสูงที่กาลังมีสุขในฌานอยู่นั้นหลายท่านก็ยังไม่เข้าใจ และยังไม่สามารถเข้าถึงคําว่านิพพานได้นะครับคนที่ไม่ศึกษาปฏิบัติที่เข้าถึงจะมีโอกาสหลงสุขแม้สิ่งที่เป็นทิพย์ที่หลอกให้หลงได้ไม่ต่างกับยาเสพติดเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าท่านเสพสุขอันเป็นทิพย์และจะต้องหลงไปการทุกคนก็ไม่ต่างกับคนในโลกนะครับที่ยังเที่ยวพักผ่อนบ้างแต่ก็ยังขยันทํางานพัฒนาตนหรือแม้แต่พระอริยบุคคลขั้นต้นท่านก็ยังเที่ยวได้มีครอบครัว เสพสุขแบบคนทั่วไปได้เช่นกันสำคัญคือระหว่างนี้ต้องสะสมบุญในด้านปัญญาให้มากพอเพราะในภาวะของการเป็นมนุษย์การทำงานทางโลกอาจส่งความเครียดให้สมองและร่างกายได้การพักผ่อนที่เหมาะสมก็ยังส่งผลดีได้หลายอย่างส่วนหนึ่งก็ไม่เป็นการเก็บกดจนเกินไปเพราะคนเราเกิดมาหลายแสนชาติสะสมความอยากความสงสัยไว้มากมาย การได้ทําอะไรในแบบที่อาจดูไร้าสาระหรือเป็นเรื่องทางโลกบ้างก็ถือเป็นการปลดแรงดันที่สะสมไว้ในจิตใต้สํานึกมายาวนานได้เกิดตายมาหลายแสนชาติก็ย่อมมีวิบากความปิดใจในสารพัดสิ่งมาสารพัดเช่นกันการกําจัดกิเลตก็คล้ายคนติดยานะครับบางคนหักดิบได้แต่บางคนต้องค่อยๆลดขนาดลงเพราะบางคนเลิกทันทีร่างกายต่อต้านกลายเป็นเจ็บป่วยหนักถึงขั้นลงแดงตายเลยก็มี ซึ่งเรื่องพวกนี้ต้องปฏิบัติแตกต่างกันไปตามปัญญาบา ร, รมีตามจริตนิสัยและวิบากที่เคยสะสมมาอย่างยาวนานของแต่ละคนสำหรับการพักผรหนยอนใจหรือการเสพสุขทางโลกนั้นถ้าหากใครเจริญสติเป็นก็จะรู้นะครับว่าในขณะที่เรากำลังทำสิ่งที่ดูเหมือนว่าไรา้สาระนั้นเราสามารถเจริญสติให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลระดับสูงสุดไปได้พร้อมกันด้วยซึ่งนับเป็นความรู้อันประเสริฐ ที่น้อยคนแม้แต่คนพุดด้วยกันเองจะรู้ถึงเรื่องความสําคัญหลักที่เป็นคําสอนสําคัญของพุทธศาสนาหลายคนก็มัวแต่ไปติดพิธีกรรมติดการกระทําที่ยุ่งยากจนการปฏิบัติธรรมแลดูเป็นของยากที่เกินจะเอื้อมถึงถ้าหากเข้าใจนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นเยอะและสามารถปฏิบัติธรรมทําสิ่งที่เป็นมหากุศลสะสมบุญนั้นยิ่งใหญ่และเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ได้ตลอดเวลา แม้ขนาดกำลังเสพสุขในทางโลกอยู่ก็ตาม